ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิยานเทระหลวงพ่อชาสุภัทโทแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องต่อสู้ความกลัว ดูความกลัวมันสิวันหนึ่งตอนบ่ายๆทำยังไงก็ไม่ได้บอกให้ไปมันก็ไม่ไปชวนปากขาวไปด้วยไปให้มันตายเสียถ้าหากมันพอจะตายก็ให้มันตายเสียมันลำบากนักมันโง่นักก็ให้มันตายเสียพูดในใจอย่างนี้ใจมันก็ไม่อยากไปเท่าไหร่แต่ก็บังคับมัน เรื่องอย่างนี้จะให้มันพร้อมใจไปทุกอย่างนะ่ะมันไม่พร้อมหรอกอย่างนั้นจะได้ทรมานมันหรือก็พามันไปไม่เคยอยู่ป่าช้าเลยสักทีพอไปถึงป่าช้าแล้วโอ้ยบอกไม่ถูกปะขาวจะมาอยู่ใกล้ๆก็ไม่ยอมให้มาให้ไปอยู่โน่นไกลๆนู่น ون. ความจริงแล้วอยากจะให้มาอยู่ใกล้ๆเป็นเพื่อนกันแต่ไม่เอา ให้ไปไกลๆเดี๋ยวตัวเองจะอาศัยเขากลัวนับ ก, ก็ให้มันตายจะคืนนี้ทั้งกลัวทั้งทำไม่ใช่ว่าไม่กลัวแต่ก็กล้าที่สุดมันก็ถึงตายเหมือนกันเท่านั้นแหละพอค่ำลงก็พอดีเลยโชคเขาหามศพมาตรงเตงตรงเตงนั่นทำไมจึงเหมาะกันอย่างนี้โอ้ย เดินจนไม่รู้ว่าตัวเองเหยียบดินเลยล่ะทีนี้หนีคิดอยากจะหนีเขานี่มนให้มาติกาศพก็ไม่อยากจะมาติกาให้ใครหรอกเดินหนีไปสักพักก็เดินกลับมาเขาก็ยิ่งเอาศพฝังไว้ไกลๆเขาเอาไม้ไผ่ที่หามศพมาทำเป็นร้านให้นั่งเฮ้ยจะทำอย่างไรดีหมู่บ้านกับป่าช้าก็ไม่ใช่ไกลๆห่างกันทั้งสองสามกิโลเมตรเอาล่ะ ตายก็ยอมตายไม่กล้าทำมันก็ไม่รู้เราว่าเป็นอย่างไรโอ้ยมันช่างออกรถชาติเสียจริงๆมืดเข้ามืดเข้าจะไปทางไหนล่ะอยู่กลางป่าช้าอย่างนี้เอา้าให้มันตายเสียมันเกิดมาตายหรอกนะชาตินี้พอตะวันตกดินเท่านั้นมันก็บอกให้เข้าอยู่แต่ในกฎท่าเดียวเดินก็ไม่อยากจะเดินมันบอกให้อยู่แต่ในกฎ จะเดินออกไปหาหลุมศพก็เหมือนมีอะไรมาดึงรั้งเอาไว้ไม่อยากให้เดินความรู้สึกกล้ากับกลัวมันฉุดรั้งกันอยู่เอาลงไปอย่างนี้แหละหัดมันเดินออกไปเกิดความกลัวก็หยุดทีนี้พอมืดสนิทลงจริงๆก็เข้าในกรดทันทียังก็มีกำแพงเจ็ดชั้นนะทีเนี้เห็นบาดของตัวเองอยู่ใบเดียวก็เหมือนกับมีเพื่อนอย่างนั้นแหละ เอาไปเอามาบาดก็เป็นเพื่อนได้ตั้งอยู่ข้างๆใบเดียวก็รู้สึกดีใจได้อาศัยบาดเป็นเพื่อนนั่งอยู่ในกรดเฝ้าดูผีทั้งคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนั่งเงียบอยู่จะให้ง่วงก็ไม่ง่วงมันกลัวทั้งกลัวทั้งกล้าทําอยู่อย่างนี้ตลอดคืนเลยนี่แหละเช่นนี้ใครจะกล้าทำลองดูสิปฏิบัติเนี่ยพูดถึงเรื่องอย่างนี้แล้ว ใครจะกล้าเข้าไปอยู่ในป่าช้านั้นทุกอย่างถ้าเราไม่ทําไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ได้ปฏิบัติคราวนี้ล่ะเราได้ปฏิบัติพอสว่างขึ้นก็รู้สึกว่าโอ้รอดตายแล้วนี่ดีใจจริงๆภายในใจเรานะ่ะอยากให้มีแต่กลางวันเท่านั้นไม่อยากให้มีกลางคืนเลยอยากฆ่ากลางคืนทิ้งให้มีแต่กลางวันสบายใจอืมไม่ตายแล้ว คิดว่าไม่มีอะไรมีแต่เรากลัวเฉยๆวันนี้ตอนเช้าได้ทดลองกระทั่งหมาไปบินธบาทคนเดียวหมามันวิ่งตามหลังมันจะกัดตาไม่ไล่มันละจะกัดก็กัดไปเลยมีแต่จะตายท่าเดียวก็ให้มันกัดให้ตายซะมันก็งับผิดงับถูกรู้สึกปาบแข้งขาเหมือนมันขาดออกอย่างนั้นแม่ออกูไทย ก็ไม่รู้จักไล่หมาแม่ออกกูไทยภาษาอีสานหมายถึงอุบาสิกาเพราะว่าผีมันไปกับพระหมาจึงได้เห่าได้กัดเลยไม่ยอมไล่มันอ้าวช่างมันเมื่อคือนที่แล้วก็กลัวจนเกือบจะตายทีหนึ่งนหะตอนเช้านี่หมาจะกัดก็เลยปล่อยให้มันกัดซะถ้าหากว่าแต่ก่อนเราเคยกัดมันก็ให้มันกัดเราซะแต่มันก็ไม่กัดนับผิดนับถูกอย่างนั้นเอง นี่แหละเราหัดตัวรับบินทบาตได้มาก็ฉันพอฉันเสร็จดีใจแดดออกมาบ้างรู้สึกอบอุ่นได้พักผ่อนและเดินจงกรมบ้างตอนเย็นจะได้ภาวนาดีละทีนี้เพราะได้ทดลองมาคืนหนึ่งแล้วคงไม่เป็นอะไรแล้วพอใบใหม่มาอีกแล้วหามมาอีกแล้วเป็นผู้ใหญ่เสียด้วยสิทีนี้ เอามาเผาไว้ใกล้ๆข้างหน้ากรดซะด้วยยิ่งร้ายกว่าเมื่อคืนหวานซะอีกดีเหมือนกันเขาเอามาเผาเข้ามาช่วยกันแต่จะให้ไปพิจารณาไม่ไปพอเขากลับบ้านหมดแล้วจึงไปโอ้เขาเผาผีให้เราอยู่ดูคนเดียวไม่รู้จะว่าอย่างไงบอกไม่ถูกเลยไม่มีอะไรจะเปรียบเทียบให้ฟังหรอกความกลัวนี่มันเกิดขึ้นเนี่ย เป็นกลางคืนซะด้วยกองไฟที่เผาศพก็แดงๆเขียวๆพุบผับพุบพับอยู่จะเดินจงกรมไปข้างหน้าก็ไม่ได้ที่สุดก็เข้าในกรดเหม็นกลิ่นเน่าของศพทั้งคืนเลยนี่ก่อนที่มันจะเกิดอะไรขึ้นมาไฟลุกพุบพุบุบก็หันหลังให้ลืมนอนมันไม่คิดอยากจะนอนเลยมันตื่นตาแข็งอยู่อย่างนั้นมันกลัว กัวไม่รู้จะไปอาศัยใครมีแต่เราคนเดียวก็อาศัยเราเท่านั้นแหละไม่มีที่ไปนี่คิดไปไหนก็ไม่มีที่จะไปหนีไปไหนก็ไม่ได้เพราะมีแต่กลางคืนมืดซะด้วยนั่งตายมันอยู่ตรงนี้แหละไม่ไปไหนละนั่นพูดถึงใจมันจะอยากทํำไหมมันจะพาทําอย่างนั้นไหมพูดกับมันมันไม่พาทําร็อกใครล่ะอยากจะมาทําอย่างนี้ นี่ถ้าไม่เชื่อมั่นในคำสอนของพระพุทธเจ้าจะไม่มาทำอย่างนี้ดึกประมาณสี่ทุ่มหันหลังให้กองไฟมันบังเอิญอะไรก็ไม่รู้มีเสียงอยู่ข้างหลังในกองไฟดังทึงทังถึงทั ง, ง, งหรือโลงศพตกลงมาหมาจิ้งจอกมากัดกินซากศพหรือก็ไม่ใช่ฟังเหมือนเสียงควายคืดคราดคลืดคราดช่างมันเถอะเอาไปเอามาเดินมาก็เหมือนคนเดินมาหา เดินเข้ามาข้างหลังเดินหนักเหมือนควายแต่ไม่ใช่เหยียบใบไม้หนักๆดังแคร่แคร่อ้อมเข้ามาหาเอายอมตายแล้วนี่จะไปไหนได้ละ่ะแต่จะเข้ามาจริงๆก็ไม่เข้ามาเดินโครมโครมออกไปข้างหน้านุ่นไปหาพ่อป่าขาวแก้วนุ่นจนเงียบเสียงเพราะอยู่ไกลกันไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นอะไรเพราะความกลัวทำให้คิดไปล้าอยาก นานประมาณครึ่งชั่วโมงเห็นจะได้เดินกลับมาอีกแล้วเดินกลับมาจากพ่อป่าขาวแก้วเหมือนคนเดินจริงๆตรงเข้ามาตรงเข้าม า, ต ร, า, มาตรงดิ่งเข้ามาเหมือนจะเหยียบพระอย่างนั้นแหละหลับตาอยู่จะไม่ยอมลืมตามันละ่ะให้มันตายทั้งหลับตาอยู่นี่แหละมาถึงใกล้ๆก็หยุดกึกยืนนิ่งอยู่เงียบๆอยู่ข้างหน้ากรดรู้สึกเหมือนกับว่ามันเอามือที่ถูกไฟไหม้ มาคว้าไปคว้ามาอยู่ข้างหน้าอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยโอ้ยตายคราวนี้ล่ะสลักหมดแล้วหลงพุโทโธธรรมโมสังโฆหมดลืมหมดมีแต่ความกลัวอย่างเดียวเต็มเอียดแทนที่อยู่แน่นเหมือนกับกลองจะคิดไปไหนมาไหนไม่ไปมีแต่กลัวเท่านั้นตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีความกลัวเหมือนครั้งนี้เลยพุทธโธธรรมโมไม่มีเลยไม่รู้ไปไหนมีแต่กลวแน่นเหมือนกลองเพลยอย่างนั้นแหละ เอาให้มันเป็นอยู่อย่างนี้แหละมันเป็นอย่างไรทำอะไรไม่ได้นั่งอยู่ก็เหมือนไม่ถูกอาสนะทำความรู้ไว้เท่านั้นกลัวมากมันกลัวมากจนเปรียบเหมือนกับน้ำที่เราเทใส่ในโอง่งเทใส่มากเต็มแล้วมันก็ล้นออกมามันกลัวมากจนหมดกลัวแล้วก็ล้นออกมาที่มันกลัวมากกลัวมายนักนะมันกลัวอะไรใจมันถามกลัวตายอีกใจหนึ่งตอบ แล้วตายมันอยู่ที่ไหนทำไมถึงกลัวเกินบ้านเกินเมืองเขานักละ่ะหาที่ตายมันดูสิตายมันอยู่ที่ไหนเอาตายเลยอยู่กับตัวเองอยู่กับตัวเองแล้วจะหนีไปไหนจึงจะพ้นมันละ่ะวิ่งหนีมันก็ตายนั่งอยู่มันก็ตายเพราะมันอยู่กับเราไปไหนมันก็ไปด้วยนั่นแหละเพราะความตายมันอยู่กับตัวเราไม่มีที่ไปหรอก กลัวหรือไม่กลัวมันก็ตายเหมือนกันเพราะตายอยู่กับตัวเองนี่หนีมันไม่ได้หรอกชี้บอกไปไวๆอย่างนี้พอบอกไปอย่างนี้เท่านั้นสัญญาก็เลยพลิกกลับทันทีเปลี่ยนขึ้นมาทันทีความกลัวทั้งหลายเลยหายออกไปเลยปานฝ่ามือกับหลังมือเราพลิกกลับอัศจรรย์เหลือเกินความกลัวมากๆมันหายไปได้ ความไม่กลัวมันกลับมาแทนในที่เดียวกันนี้โอ้ใจมันสูงขึ้นสูงขึ้นเหมือนอยู่บนฟ้าเปรียบไม่ถูกพอชนะความกลัวนี้แล้วฝนก็เริ่มตกทันทีเลยฝนอะไรก็ไม่รู้ลมก็แรงมากไม่ได้กลัวตายละไม่กลัวว่าต้นไม้กิ่งไม้มันจะหักลงมาทับตายไม่สนใจมันเลยฝนตกลงมาหนักเหมือนฝนเดือนสี่หนักมากพอฝนหายแล้วเปียกหมด นั่งนิ่งไม่กระดิกเลยก็ทำอย่างไรล่ะเปียกหมดนี่ร้องไห้ร้องออกมาเองนั่งร้องไห้น้ําตาไหลอาบลงมาที่มันร้องไปก็เพราะนึกไปว่าตัวเราเนี่ยทำไมเหมือนคนไม่มีพ่อมีแม่แท้มันนั่งตากฝนยังกับคนไม่มีอะไรยังกับคนสิ้นทุกอย่างทุกสิ่งอย่างนั้นแหละเลยคิดไปอีกว่าคนที่เขามีบ้านอยู่ดีด เขาคงจะไม่คิดเพราะว่ามีพระมานั่งตากฝนอยู่ทั้งคืนแบบนี้เขาคงจะนอนห่มผ้าห่มสบายเราสินั่งตากฝนอยู่ทั้งคืนอย่างนี้แล้วมันเรื่องอะไรหนอคิดไปมันก็วิตกไปเลยสังเวชชีวิตตนร้องไห้น้าตามันไหลพรากพรากเอาน้ำไม่ดีเนี่ยให้มันไหลออกให้หมดอย่าให้มันมีอยู่นี่แหละปฏิบัติเอาอยู่อย่างนี้ ทีนี้เลยไม่รู้จะพูดอย่างไรจะบอกอย่างไรเรื่องราวที่มันเป็นต่อไปมีแต่นั่งดูนั่งฟังอยู่เฉยเมื่อมันชนะแล้วนั่งดูอยู่อย่างนั้นสารพัด ท, ที่มันจะรู้มันจะเห็นต่างๆนานาพัฒ น, นาไม่ได้คิดถึงพระพุทธเจ้าปัจจตังเวทิตโผวินยูหิตวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนนี่เราทุกตากฝนอย่างนี้ใครละจะมารู้ด้วยกับเรา ก็รู้แต่เฉพาะเราเองเป็นปัจจัดตังเท่านั้นแหละมันกลัวมากๆความกลัวมันหายไปใครอื่นจะมารู้ด้วยชาวบ้านชาวเมืองไม่มารู้ด้วยกับเราหรอกเรารู้คนเดียวมันก็เป็นปัจจัดตังจะไปบอกใครไปหาใครมันเป็นปัจจัดตังแน่เข้าพิจารณาเข้ามีกำลังขึ้นมีศรัทธาขึ้นจนสว่างสว่างมา ลืมตาครั้งแรกเหลืองไปหมดเลยปวดปัสสาวะปวดจนหายปวดเฉยๆยามเช้าลุกขึ้นมองไปทางไหนเหลืองหมดเหมือนแสงพระอาทิตย์ยามเชา้าอย่างนั้นน่ะแล้วลองไปปัสสาวะดูเพราะมันปวดแต่กลางคืนแล้วไปปัสสาวะมีแต่เลือดเฮ้ยหรือไส้ข้างในมันขาดตกใจเล็กน้อยหรือขาดแล้วจริงๆข้างไหนเนี่ยอ่ะขาดก็ขาด แล้วใครทําให้มันขาดละ่ะมันพูดออกมาวัยเหมือนกันขาดก็ขาดตายก็ตายสินั่งอยู่เฉยๆไม่ได้ทําอะไรนี่อยากขาดก็ขาดสิใจมันว่าใจน่ะมันเหมือนกับมันแย้งกันดึงกันอย่างนั้นแหละใจหนึ่งมันเบียดเข้ามาว่าเป็นอันตรายอีกใจหนึ่งมันก็สู้ก็ค้านก็ตัดทันทีเลยปัสสาวะเป็นแท่งเป็นแท่ง นั่นจะไปหายาที่ไหนน้อไม่ไปหาหัวมันหลังจะไปหาที่ไหนพระขุดรากไม้ไม่ได้นี่ตายก็ตายช่างมันจะทำอย่างไรได้ตายก็ดีตายเพราะบาเพ็ญอย่างนี้ตายเพราะปฏิบัติอย่างนี้ก็พอใจตายแล้วตายเพราะไปทาความชั่วนั่นสิไม่ค่อยดีตายเพราะได้ปฏิบัติแบบนี้ตายก็ตายใจมันว่าไปอย่างนั้นคืนนั้นฝนตกทั้งคืน วันรุ่งขึ้นเป็นไข้จับสันไปทั้งตัวเป็นไข่อยู่ก็จำเป็นต้องไปบินทบาทในหมู่บ้านบินทบาทก็ไม่ได้อะไรหรอกมีแต่ข้าวเห็นคนแก่คนหนึ่งถือมัดถั่วกับขวดน้ําปลาตามหลังเอเขาจะเอามาตาถวายหรือนี่จะฉันไม่น้อคิดอยู่อย่างนั้นทั้งที่เขายังไม่ลงมือตำเลยจะฉันหรือไม่ฉันก็ไม่รู้จัก เราะคิดว่าตำส้มถั่วเนี่ยมันจะสแสลงกับไข่เขากำลังลงมือตาเราก็คิดฉันไม่น้อฉันไม่น้อเพราะว่าฉันข้า เ, าเปล่าๆมาหลายวันแล้วไม่มีอะไรอยู่ในป่าจนกระทั่งเขานำมาถวายก็รับรับแล้วก็ตักใส่บาทพิจารณาอยู่อย่างนั้นเมื่อเรารู้ว่าจะสแสลงกับไข่ก็ยังจะฉันมันก็ฉันเพราะตัณหาเท่านั้นแหละ หรือมันเป็นอย่างไรพิจารณาไม่ออกพิจารณากลับไปกลับมาฉันข้าวเปล่าดูมันก่อนได้ความว่าถ้าจะเป็นตัญหาได้ก็เพราะว่ายังมีอาหารอย่างอื่นอีกแต่นี่มีแต่มันอย่างเดียวเป็นตัญหาไม่ได้หรอกก็เลยฉันอ้าวถ้ามันแสลงกับไข้ละ่ะแสลงก็ไม่ตายหรอกเพราะหนึ่งต้องมีคนมาแก้ไขสอง ต้องอาจเจียนออกมันไม่อยู่หรอกถ้าไม่ถึงคราวตายถ้าถึงคราวตายของมันคนจะมาแก้ก็ไม่มีหรอกมันตายเลยเลยฉันเข้าไปฉันตำส้มถั่วของชาวบ้านพิจารณาตกแล้วจึงฉันฉันแล้วให้สีให้พรชาวบ้านแล้วเขาก็กลับพอตอนเที่ยงนึกถึงตำส้มถั่วขึ้นมาเท่านั้นขนหัวลุกสู้รู้สึกแน่นขึ้นมาทันที มันไม่ถูกกับไข่แน่ๆมันจับไข่ตมส้มทัวแสลงไข่จริงๆละเนี่ยอ้าวแสลงก็แสลงถ้าไม่ถึงคราวตายของมันมันก็จะอาเจียนออกมารอกแน่นไปแน่นมาดันไปดันมาสักประมาณบ่ายหนึ่งก็อาเจียนออกมาจริงๆแน่อาเจียนออกมาจริงๆไม่ถึงคราวมันหรือถ้าหากไม่อาเจียนก็ต้องมีคนมาแก้แล้วก็อาเจียนออกมาจริงๆ พิจารณาไปอย่างนั้นอย่าไปตามใจมันหัดมันเอาชีวิตเข้าแลกเลยปฏิบัติเนี่ยอย่างน้อยต้องได้ร้องไห้สามคนนั่นแหละการปฏิบัติถ้ามันง่วงนอนอยากนอนก็อย่าให้มันนอนพอมันหายง่วงจึงให้มันนอนอย่างนั้นแต่เราเนะ่ะโอ้ยปฏิบัติไม่ได้หรอกบางครั้งบินทบาทมาก่อนจะฉันก็มานั่งพิจารณาอยู่มันพิจารณาไม่ออก เหมือนสุนัขบ้าน้ำลายหกน้ำลายไหลเพราะความอยากจะพิจารณาอะไรก็พิจารณาไม่ออกบางทีพิจารณาก็ไม่ทันใจรีบตามมันก็ยิ่งร้ายใหญ่ถ้ามันไม่ฟังอดทนไม่ได้ก็ดันบาดออกไปเสียอย่าให้มันได้ฉันซะหัดมันทรมานมันการปฏิบัติเนี่ยอย่าทำตามมันเรื่อยๆผลักบาดหนีไปอย่าให้มันฉันมันยากมากนะอย่าให้มันฉัน มันพูดในฟังความนี่น้ำลายก็หยุดไหลพอรู้ว่าจะไม่ได้ฉันมันเข็ดพอวันต่อมามันไม่กล้ากวนหรอกมันกลัวว่าจะไม่ได้ฉันเงียบลองทําดูถ้าไม่เชื่อคนเราเน่ะมันไม่เชื่อไม่กล้าทําถึงว่าคนไม่มีศรัทธาจะทํากลัวแต่มันจะหิวกลัวแต่มันจะตาย ไม่ทำดูที่นั่นมันก็ไม่รู้จักไม่กล้าทำรอกพวกเรานะ่ะไม่กล้าทำดูกลัวแต่มันจะเป็นนั่นกลัวแต่มันจะเป็นนี่เรื่องอาหารการขบฉันเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้ยทุกข์กับมันมากมาจนรู้เท่าว่ามันทุกข์นั่นแหละเรื่องเล็กๆน้อยๆ น, นี่เรื่องการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เรื่องจะพิจารณา ง, ง่ายๆไม่ใช่เรื่องเบาๆนะพิจารณาเรื่องอะไร เรื่องอะไรล่ะที่สาคัญที่สุดเรื่องอื่นไม่มีแล้วมันตายเรื่องนี้สาคัญตายจึงเป็นเรื่องสาคัญในโลกพิจารณาไปทำไปหาไปก็ยังไม่พบไม่มีผ้านุ่งผ้าห่มก็ยังไม่ตายไม่มีหมากกินไม่มีบุหรี่สูบก็ยังไม่ตายถ้าไม่มีข้าวไม่มีน้ำกินเนี่ตายเห็นเท่านี้ของสาคัญในโลก มีข้าวกับน้ำเนี่ยสาคัญเลี้ยงร่างกายเลยไม่สนใจเรื่องอื่นเอาแต่มันจะพอได้ส่วนข้าวกับน้ำเนี่ยพอไม่ตายมีอายุปฏิบัติไปเท่านั้นก็เอาละเอาไหมละ่ะเอาเท่านี้ยาอย่างอื่นเรื่องเบ็ดตเตล็ดนะถ้ามันจะได้หรือไม่ได้ก็ช่างมันจะมีจะพบก็ช่างข้อสำคัญมีแต่ข้าวกับน้ำเท่านั้น พอได้กินพอได้ใช้อยู่รักเข้าไปบินธบาทบ้านไหนเขาก็คงจะให้หรอกข้าวทีละก้อนน้ําหากินมันจนได้นั่นแหละเอาสองอันเท่านี้ไม่คิดจะรวยเท่าไดหรอกเรื่องการปฏิบัติเรื่องผิดเรื่องถูกมันปนกันมาปนกันไปแหละเราต้องกล้าทําต้องกล้าปฏิบัติปาช้านะไม่เคยไปก็ต้องหัดไป ไปกลางคืนไม่ได้ต้องไปกลางวันแล้วหัดไปค่ำค่ำบ่อยๆต่อไปตอนค่ำก็ไปได้แล้วจะเห็นประโยชน์ในการกระทำของตนทีนี้ก็จะรู้เรื่องอันนี้อะไรจิตใจของเรามันไม่รู้เรื่องรู้ราวมาตั้งกี่ภพกี่ชาติอันไหนเราไม่ชอบอันไหนเราไม่รักก็ไม่อยากให้มันประพฤติปฏิบัติปล่อยมันกลัวอย่างนี้แล้วว่าเราได้ปฏิบัติมันยังไม่เรียกปฏิบัติหรอกถ้าปฏิบัติจริงๆแล้วก็ ชีวิตนั่นแหละพูดง่ายๆถ้าตั้งใจจริงๆ จ, จะไปสนใจทำใหม่กูได้น้อยมึงได้มากมึงทะเลาะ ก, กูกูทะเลาะมึงไม่มีล็อกเรื่องอย่างนั้นนะเพราะไม่หมาหาเรื่องอย่างนั้นใครจะทํำยังไงก็ช่า ง, จ, งจะเข้าวัดไหนก็ตามก็ไม่ได้หาเอาเรื่องเช่นนี้ไม่ได้ไปเพ่งเอาเรื่องเช่นนี้ใครจะปฏิบัติตำปฏิบัติสูงก็ไม่ได้หาเอาเรื่องเช่นนี้หาเอาเรื่องของตนเท่านั้น อย่างนี้แหละกล้าประพฤติกล้าปฏิบัติปัญญาจะเกิดญาณจะเกิดเพราะการปฏิบัติถ้าหากว่าปฏิบัติที่มันถึงแล้วมันปฏิบัติแท้กลางคืนกลางวันก็ตามก็ปฏิบัติกลางคืนก็นั่งสมาธิเงียบๆแล้วลงมาเดินอย่างน้อยก็ต้องได้สองสามครั้งเดินจงกรมนั่งสมาธินั่งสมาธิแล้วลงมาเดินจงกรมมันไม่อิ่มมันเพลิน บางทีฝนตกพรำๆไม่หนักให้นึกถึงเมื่อคราวทํานาหนดกางเกงที่นุ่งทํางานกลางวันยังไม่ทันแห้งตื่นเช้ามาก็ต้องสวมใส่เข้าไปอีกตั้งแต่เช้าเข้าไปเอาควายในคอกมองดูควายข้างนอกเห็นแต่คอไปจับเอาเชือกควายมามีแต่ขี้ควายเต็มไปหมดหางควายตวัดแกว่งเอาขี้ของมันมาเปรอะเราเต็มไปหมดตีนเป็นทางก้าด้วยโรคน้ํากัดเท้า เดินไปทรมานไปทำไมถึงทุกทำไมถึงยากแท้ที่เราเดินจงกรมฝนตกแค่นี้มันจะเป็นอะไรทำนายิ่งทุกข์ก็ทำได้เดินจงกรมแค่นี้ทำไมจะทำไม่ได้มันกล้าขึ้นมารอกถ้าเราทำได้หรือได้ทำถ้ามันตกกระแสของมันแล้วเรื่องการปฏิบัติเนี่ยไม่มีอะไรจะขยันเท่ามันหรอกจะทุกข์ก็ไม่ทุกข์เท่าผู้ปฏิบัติจะสุขก็ไม่สุขเท่าผู้ปฏิบัติ ขยันก็ไม่ขยันเท่าผู้ปฏิบัติขี้เกียจก็ไม่ขี้เกียจเท่าพวกนี้พวกนี้เป็นเลิศเลิศกว่าเขาขยันก็เลิศเขาขี้เกียจก็เลิศเขามีแต่เลิศเท่านั้นถึงว่าถ้าตั้งใจปฏิบัติแล้วมันก็น่าดูจริงๆแต่พวกเราว่าปฏิบัติน่ะมันไม่ถึงมันไม่ได้ทําเปรียบก็เท่ากับว่าถ้าหลังคารั่วตรงนี้ก็ขยับไปนอนตรงนั้นถ้ารั่วตรงนั้นก็ขยับมานอนตรงนี้ ทำยังไงจะได้บ้านช่องดีๆกับเขาสักทีนี่ถ้ามันรั่วทั้งหลังก็คงหนีเลยอย่างนี้ก็ไม่น่าเอามันก็อย่างนั้นแหละการปฏิบัติ จิตของเรากิเลส ข, ของเราถ้าไปทําตามมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งทําตามก็ยิ่งหมดข้อวัดปฏิบัติเรื่องการปฏิบัติเนี่ยจนมันอัศจรรย์นในจิตของตนนะอัศจรรย์มันขยันหมั่นเพียรไม่รู้เป็นยังไงใครจะปฏิบัติตามไม่ปฏิบัติก็ตามไม่ได้สนใจใครทำของตนปฏิบัติของตนไปสม่ำเสมออย่างนั้นใครจะไปใต้มาเหนือก็ช่างเขาเราทําของเราอยู่อย่างนั้น มันต้องดูตัวเองมันจึงจะเป็นการปฏิบัติครั้นปฏิบัติไปปฏิบัติแล้วไม่มีเรื่องอะไรในใจมีแต่เรื่องธรรมะตรงไหนมันยังทําไม่ได้ตรงไหนมันยังขัดข้องอยู่มันก็วนอยู่แต่ตรงนั้นมันไม่แตกและมันไม่หนีรอหมดอันนี้แล้วไม่คาอยู่กับอะไรอีกมันก็ไปติดอยู่ตรงนั้นอีกติดอยู่ที่นั่นมันไม่หนีถ้ามันติดอยู่มันเอาจนแตกนั่นแหละ ถ้ามันไม่เสร็จมันก็ไม่ไปมันไม่สบายใจถ้ามันไม่เสร็จหมดมันพิจารณาจ่ออยู่ที่นั่นนั่งก็อยู่ที่นั่นนอนก็อยู่ที่นั่นเดินก็อยู่ที่นั่นเปรียบเหมือนกับเราทำนาไม่เสร็จนั่นแหละนาเราเคยดำทุกปีแต่ปีนี้ตรงนั้นยังไม่เสร็จใจมันก็เลยติดเป็นทุกข์อยู่ที่นั้นไม่สบายเหมือนเราทำงานไม่เสร็จถึงมาอยู่กับเพื่อนมากๆใจก็ไม่สบาย พะวงแต่เรื่องงานที่เราทำไม่เสร็จอยู่นั่นแหละหรือเหมือนกับเราปล่อยลูกเล็กๆไว้บนบ้านแต่เราให้อาหารหมูอยู่ใต้ถุนบ้านใจมันก็คิดอยู่แต่กับลูกกลัวมันจะตกบ้านทำอย่างอื่นอยู่ก็คิดอยู่อย่างนั้นเช่นเดียวกันกับข้อปฏิบัติของเรามันไม่ลืมสักทีเลยทำอยู่ก็ไม่ลืมพอจะออกจากมันมันก็ป้าบเข้ามาในใจ ท, ทันทีติดตามอยู่กระทั่งคืนกระทั้งวันไม่ได้ลืมสักที ถ้าเป็นอยู่อย่างนั้นมันจึงเป็นไปได้ไม่ใช่ของง่ายตอนแรกก็อาศัยครูบาอาจารย์ให้ท่านแนะนำเข้าใจแล้วก็ทำครูบาอาจารย์สอนแล้วก็ทำตามที่ท่านสอนพอเข้าใจแล้วทำได้แล้วท่านก็ไม่ได้สอนอีกเราทำของเราเองละทีนี้มันจะเกิดประมาทอยู่ตรงไหนมันจะเกิดไม่ดีอยู่ตรงไหนมันก็รู้ของมันเองมันก็สอนของมันเองมันก็ทาของมันเอง มันเป็นผู้รู้มันเป็นปัจจัดตังจิตมันเป็นของมันเองรู้เองว่าผิดน้อยผิดมากผิดตรงไหนมันก็พยายามดูของมันอยู่อย่างนั้นพยายามประพฤติปฏิบัติเองของมันเป็นอย่างนั้นหละปฏิบัติคล้ายๆเป็นบ้าหรือเป็นบ้าไปเลยก็ว่าได้ปฏิบัติจริงๆก็เป็นบ้านั่นแหละมันเปลี่ยนมันเป็นสัญญาวิปลาสและมันเปลี่ยนสัญญานั่น ถ้ามันไม่เปลี่ยนมันก็ดุร้ายอยู่เหมือนเดิมมันก็ทุกข์อยู่เหมือนเดิมมันก็แสนจะทุกข์นั่นหลักการปฏิบัติแต่ว่าทุกข์นั่นถ้าไม่รู้จักว่ามีทุกข์มันก็ไม่รู้จักทุกข์หรอกถ้าเราจะพิจารณาทุกข์เราจะฆ่าทุกข์นี่มันต้องพบกันก่อนสิจะไปยิงนกถ้าไม่เจอนกแล้วจะได้ยิงหรือทุกข์พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนว่าทุกข์ชาติทุกข์ชราปิทุกข์ เกิดขึ้นมาแล้วไม่อยากให้มันทุกข์มันก็ไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักทุกข์มันก็เอาทุกข์ออกไม่ได้อย่างนี้แล้วคนเราไม่อยากเห็นทุกข์ไม่อยากได้ทุกข์ทุกตรงนี้ก็หนีไปนั่นนั่นแหละยิ่งเอาทุกข์ไว้ไม่ได้ฆ่ามันไม่ได้คิดไม่ได้พิจารณาดูมันทุกตรงนี้หนีไปตรงนั้นทุกตรงนั้นหนีไปตรงนี้หนีแต่ทางกายเรา ครั้นมันหลงอยู่เมื่อใดจะไปตรงไหนมันก็ทุกจะขึ้นเครื่องบินหนีไปมันก็ขึ้นไปด้วยแม้จะมุดลงไปในน้ํามันก็มุดไปด้วยเพราะทุก์มันอยู่กับเราแต่เรามันหลงมันอยู่กับเราจะไปหนีจะไปละมันที่ไหนได้คนเรานะ่ะทุกที่นี้หนีไปที่นั้นทุกที่นั้นหนีมาทาง น, นี้ว่าเราหนีทุกมันก็ไม่ใช่ ทุกมันไปกับเราเราไปกับทุกไม่รู้จักทุก์ถ้าไม่รู้จักทุกข์ก็ไม่รู้จักเหตุเกิดของทุกข์ไม่รู้จักเหตุของทุกข์ก็ไม่รู้จักความดับทุกที่ไหนมันจะดับได้มันไม่มีหรอกมันต้องหมั่นมาพิจารณาให้มันแน่นอนต้องกล้าประพฤติกล้าปฏิบัติอยู่กับเพื่อนกับฝูงก็เหมือนอยู่คนเดียวไม่กลัวใครจะขี้เกียจขี้คร้านก็ช่างเถอะ ผู้ใดเดินจงกรมทำเพียรมากๆละรับรองใครจะไปไหนมาไหนก็ทำการปฏิบัติของตัวเองอยู่อย่างนั้นทำเพียรอยู่อย่างนั้นถ้าทำจริงๆแล้วก็พรรษาเดียวเท่านั้นการปฏิบัติเนี่ยให้ทำนะให้ทำอย่างที่พูดมานี่ให้ฟังคำสอนของอาจารย์อย่าเถียงอย่าดื้อท่านสั่งให้ทำทำไปเลยไม่ต้องกลัวกับการปฏิบัติ มันรู้จักเพราะการกระทําไม่ต้องสงสัยหรอกการปฏิบัตินั้นเป็นปฏิปทาด้วยปฏิปทาอย่างไรปฏิบัติไปเรื่อยๆสม่ําเสมอปฏิบัติเหมือนหลวงตาเปไม่ได้นะในพรรษาท่านก็สมาทานไม่พูดไม่พูดแต่ก็เอาหนังสือมาเขียนพรุ่งนี้ปิ้งข้าวเหนียวให้สักก้อนนะอยากกินข้าวเหนียวปิ้งท่านไม่พูดแต่เอาหนังสือมาเขียน ยิ่งยุ่งกว่าเดิมอีกเดี๋ยวก็เขียนเอาวันนั้นเดี๋ยวก็เขียนเอาวันนี้วุ่นวายไปหมดท่านสมาทานไม่พูดแต่มาเขียนเอานี่ก็ไม่รู้จะสมาทานไม่พูดไปทําไมไม่รู้จักการปฏิบัติของตนเองความเป็นจริงปฏิปทาของเราเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สนใจมันจะขี้เกียจอย่าไปสนใจมันจะขยันปฏิบัติเนี่ยอย่าว่าขยันอย่าว่าขี้เกียจธรรมดาคนเรานั้นน่ะ ขยันจึงจะทำถ้าขี้เกียจแล้วไม่ทำนี่ปกติของคนเราแต่พระท่านไม่เอาเช่นนั้นขยันก็ทำขี้เกียจก็ทำไม่สนใจอย่างอื่นตัดไปละไปหัดไปทำไปเรื่อยๆไม่ว่าวันหรือคืนปีนี้ปีหน้ายามไหนก็ตามไม่สนใจขยันไม่สนใจขี้เกียจไม่สนใจร้อนไม่สนใจหนาวทำไปเรื่อยๆ นี่ท่านเรียกว่าสัมมา ป, ปาิปทาบางทีก็ขามาขักขม่นขึ้นมาคุมกันอยู่เสีหกวันเจ็ดวันพอเห็นว่าไม่เข้าท่าก็หยุดเลิอกออกมาเลยยิ่งไปกันใหญ่ครั้งพูดทั้งคุยไม่รู้อะไรต่ออะไรพอนึกได้ทำเข้าไปอีกสองสาวันเท่านั้นพอเลิกแล้วนึกได้อีกก็ทำอีกเหมือนกับคนทำงานบทจะทำก็ทำเสีจนไม่รู้เนื้อรู้ตัวเรื่องขุดไร่ขุดสวนทางไร่ทางคูก็ดี บทจะเลิกจอบเสียมก็ยังไม่ยอมเก็บทิ้งอยู่อย่างนั้นหนีไปเลยวันต่อมาดินจับกระเอืไปหมดแล้วก็นึกขยันทําอีกทิ้งไปอีกอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นนะปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันนั่นแหละปฏิปทาถ้าถือว่าไม่สําคัญก็ไม่สําเร็จสัมมาปฏิปทาเนี่ยสําคัญมากจริงๆคือเราทําเรื่อยๆอย่าไปว่า มันได้อารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีดีก็ช่างไม่ดีก็ช่างช่างมันพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้สนใจใครหรอกท่านผ่านมาหมดของดีไม่ดีของชอบไม่ชอบเหล่านี้นั่นแหละจึงเป็นการปฏิบัติการปฏิบัติที่จะเอาแต่ของชอบของไม่ชอบไม่เอาอย่างนี้ไม่เป็นการปฏิบัติมันเป็นวิบัติไปที่ไหนก็ไม่สบายอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายเป็นทุกข์อยู่ตลอดการตลอดเวลา กระทำเพียรอย่างนี้ก็เหมือนกันกับพราหมณ์บูชายันทำไมบูชายันก็เพราะเขาต้องการสิ่งที่เขาปรารถนาเราทำเพียรก็เหมือนกันทำไมเราจึงทำความเพียรละ่ะทำเพื่อมีพบมีชาติต้องการตามใจตามปรารถนาจริงเราไม่ได้ตามปรารถนาก็ไม่อ่ะเหมือนกับพราหมณ์บูชายันเขาต้องการเขาจึงบูชายันพระพุทธเจ้าท่านไม่ว่าอย่างนั้น การกระทําเพียนก็เพื่อนละเพื่อปล่อยเพื่อเลิกเพื่อถอนไม่ต้องการพบชาติไม่ต้องการเอานั่นเอานี่กว่าที่ท่านจะมาถูกถางท่านก็ปฏิบัติมาไม่รู้กี่อย่างต่อกี่อย่างมีพระเถระองค์หนึ่งท่านบวชมหานิกายว่ามันไม่เคร่งก็เปลี่ยนมาเป็นธรรมยุทธครั้นบวชธรรมยุทธแล้วมาปฏิบัติ ปฏิบัติไปบางทีก็ไม่ยอมกินข้าวตั้งสิบ้าวันนะครั้นกินก็กินเฉพาะผักเฉพาะหญ้ากินสัตว์นมันบางกินผักกินหญ้าดีกว่ากินฝักลิ้นฟ้าภาษากลางเรียกฝักเพกาหมดทีละสีหรือห้าฝักนะกินอย่างนั้นมันก็ได้แค่นั้นต่อมาสักหน่อย เอ้ยเป็นพระไม่ดีเป็นไปลำบากรักษาวัดมันยากลดลงมาเป็นผ้าขาวดีกว่าเลยสึกจากพระมาเป็นผ้าขาวเพราะเก็บผักเก็บหญ้า ก, กินเองก็ได้ขุดหัวเผือกหัวมันกินเองก็ได้เลยมาเป็นผ้าขาวทําไปทํามาไม่รู้เรื่อง ร, รู้ราวเลยหมดไปหมดไปจากพระจากผ้าขาวหมดเลยเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าไปยังไงตายหรือยังก็ไม่รู้ นี่พระธรรมอย่างไรก็ไม่พอใจไม่หนำใจเลยไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำตามกิเลสกิเลสพาทำก็ไม่รู้จักพระพุทธเจ้านะท่านศึกเป็นผ้าขาวหรือเปล่าท่านทำอย่างไรท่านปฏิบัติอย่างไรก็ไม่คิดดูท่านพากินผักกินหญ้าเหมือนวัวเหมือนควายหรือเปล่าเออครั้นจะกินก็กินไปเถอะเราทำได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้น อย่าไปตีคนอื่นอย่าไปว่าคนอื่นมันสบายอย่างใดก็เอาอย่างนั้นอย่าไปเสี่ยมอย่าไปถากอย่าไปฝันเขามากเกินไปจะไม่เป็นคันกระบวยไม่เป็นอะไรก็ทิ้งไปเฉยๆอย่างนี้ก็มีอย่างการทำความเพียรเดินจงกรมสิบห้าวันก็เดินอยู่อย่างนั้นไม่กินข้าวละแข็งแรงอยู่ครั้นเลิกทำแล้วทิ้ง นอนเรื่อยเปื่อยไม่ได้เรื่องนี่แหละมันไม่ได้คิดไตรตรองให้ดีไปไปมามาเป็นอะไรก็ไม่ถูกใจเป็นพระก็ไม่ถูกใจเป็นเนก็ไม่ถูกใจเป็นผ้าขาวก็ไม่ถูกใจเลยไม่เป็นอะไรไม่ได้อะไรเลยหมดนี่แหละมันไม่รู้จักการปฏิบัติของตนไม่พิจารณาเหตุผลจะปฏิบัติเพื่อเอาอะไรให้คิดดูที่ท่านให้ปฏิบัติน่ะปฏิบัติเพื่อทิ้ง มันคิดรักคนนั้นมันคิดชังคนนี้อย่างนี้มีอยู่แต่อย่าไปสนใจมันแล้วปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อละสิ่งเหล่านั้นมันสงบก็ทิ้งความสงบมันรู้แล้วก็ทิ้งมันเสียความรู้เหล่านั้นรู้แล้วก็แล้วไปครั้นถือว่าตัวว่าตนว่ารู้แล้วก็ถือว่าตัวเก่งกว่าคนอื่นเท่านั้นสิไปไปมามาเลยอยู่ไม่ได้ อยู่ที่ไหนเดือดร้อนที่นั่นเรื่องปฏิบัติไม่ถูกขนทาง น, นี่เราไม่ได้ปฏิบัติปฏิบัติพอสมควรตามกำลังของเรามันนอนมากไหมก็ทรมานมันดูมันกินมากก็ทรมานมันเอามันพอสมควรเอาแต่ศีลสมาธิปัญญาเอาธุดงคขวัตใส่เข้าไปด้วยธุดงคขวัตเนี่ย เพื่อเป็นเครื่องขูดเกลาวเอาขนาดหนึ่งมันไม่พอนะเอาทุดงขวัดเข้าใส่มันจึงแก้ได้ทุดงขวัดนี้ก็เป็นของสำคัญอยู่บางคนเอาศีลเอาสมาธิฆ่ามันก็ไม่ได้ไม่เป็นต้องเอาทุดงขวัดเข้าช่วยอย่างนั้นทุดงขวัตมันตัดหลายอย่างเช่นบางทีให้อยู่โคนต้นไม้อยู่โคนต้นไม้ก็ไม่ผิดศีล อยู่ป่าช้าอยู่ป่าช้าก็ไม่ผิดศีลถ้าตั้งธุดงควรอยู่ป่าช้าแล้วไม่อยู่นั่นลหละถึงผิดไปอยู่ลองดูสิป่าช้านั่นมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นเหมือนอยู่กับหมู่กับพวกหรือเปล่ามันมีประโยชน์ทุกๆอย่างนั่นแหละธุดงควรนี่ทุตัณคะท่านว่าข้อวัดปฏิบัติอันบุคคลปฏิบัติยาก เป็นข้อปฏิบัติของพระอริยเจ้าผู้ดใดต้องการเป็นอริยเจ้าต้องมีธุดงขวัดเป็นเครื่องขัดเกลายากที่คนจะทำได้และยากที่จะมีคนศรัท ธ, ธาทาเพราะมีแต่สิ่งที่ขัดมีแต่ขัดมีแต่ ข, ตขืนทั้งนั้นอย่างถือผ้าก็ผ้าสามผืนเที่ยวบินทบาทมาฉันบางทีก็ฉันแต่ในบาทเที่ยวบินธบไป ตักบาทอะไรก็ฉันอันนั้นเขาจะเอาอะไรมาถวายภายหลังไม่เอาเวลาบินทบาทเขาใส่อะไรให้ก็ฉันแต่อันนั้นการที่ถือทุดงข้อนี้อยู่ทางภาคกลางดีสบายเพราะเขาพร้อมอยู่แล้วแต่ถ้ามาทางภาคอีสานทุดงข้อนี้ได้ปฏิบัติละเอียดดีเพราะได้กินแต่ข้าวเปล่าๆเท่านั้นบ้านเราเขาใส่บาตแต่ข้าวเปล่า ทางโน้นเขาใส่บาทใส่ข้าวใส่กลับด้วยมาบ้านเราทิ้งใส่ให้แต่ข้าวเท่านั้นทุดงข้อนี้อย่างอุกกตเลยเคร่งอย่างนั้นบินธบาทมาฉันฉันแล้วใครจะเอาอะไรมาถวายอีกก็ไม่ฉันทุดงขวัตเนี่ยมันช่วยมากช่วยจริงๆฉันหนเดียวภาชนะอันเดียวอาสนะอันเดียวลุกไปแล้วไม่ฉันอีกอย่างนั้นอันนี้เรียกว่า ผู้ดงขวัตแล้วจะมีใครบ้างที่ประพฤติปฏิบัติได้ยากที่จะมีคนศรัทธาเพราะมันยากมันลําบากมากท่านจึงว่าผู้ใดปฏิบัติผู้ดงขวัตนี้มีอานิสงฆ์มากจริงๆที่เราว่าปฏิบัตินะ่ะมันยังไม่เรียกว่าปฏิบัติรอกถ้าปฏิบัตินะมันไม่ใช่ของเบาๆมันไม่กล้าประพฤติไม่กล้าปฏิบัติรอกคนเรานะี่ย ที่ไหนมันขัดมันไม่กล้าทำ อ, อันไหนมันขัดหัวใจไม่อยากทำไม่อยากปฏิบัติไม่อยากขัดกิเลสไม่อยากเกลามันไม่อยากเอามันออกความเป็นจริงท่านว่าการปฏิบัตินั้นอย่าทำตามใจของตนนักปฏิบัติให้พิจารณาบ้างใจเรามันถูกล่อลวงมาหลายภพหลายชาติแล้วว่าเป็นใจของตนมันไม่ใช่หรอกมันล้วนแต่เป็นของปลอม มันพาเราโลภมันพาเราโกรธมันพาเราหลงมันพาปล้นพาสะดมพาอยากได้พาอิจฉาปยาบาทอย่างนี้มันไม่ใช่ของเราแล้วลองถามดูใจของเราสิอยากดีไหมมีแต่อยากดีทั้งนั้นแล้วทำอย่างนั้นมันดีไหมละ่ะแน่ไปทำไม่ดีแต่มันอยากได้ดีถึงว่าของที่มันไม่จริงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้น พระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ตามมันให้ขัดมันมันไปทางนั้นหลบมาทางนี้มันมาทางนี้หลบไปทางโน้นนั่นแหละพูดง่ายๆก็เท่ากันกับ เ, เรื่องเก่าที่พูดมาแต่ต้นใจเรามันจะชอบอันนี้เอาไปโน้นใจมันจะชอบอันโน้นเอามานี่เหมือนคนเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่มาถึงวันนี้ก็มีความเห็นไม่ตรงกันไปคนละทางแยกทางกัน พูดจาไม่ลงรอยกันทะเลาะกันเลยมันแยกไปอย่างนั้นนั่นแหละไม่ตามใจของตนผู้ใ ด, ดทำตามใจของตนมันรักอันไหนมันชอบอันไหนก็เอาไปตามเรื่องตามราวของมันนั่นแหละยังไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยสักอย่างลองดูก็ได้นี่แหละที่เขาว่าได้ปฏิบัติมันไม่ใช่มันวิบัติอยู่ถ้าไม่หยุดดูไม่ทาดูไม่ปฏิบัติดู ก็ไม่เห็นไม่เป็นปฏิบัตินี้พูดง่ายๆมันก็ต้องเอาชีวิตนั่นแหละเข้าแลกไม่ใช่มันไม่ทุกนะปฏิบัติเนี่ยมันต้องทุกยิ่งพันสาหนึ่งสองพันสานี่ยิ่งทุกพระหนุ่มเนร น, น้อยนี่ยิ่งทุกมากเรามันเคยทุกมามากทุกกับอาหารการกินนี่ก็ยิ่งทุกก็เราอายุยี่สิบปีมาบวชมันกําลังกินกำลังนอน จะว่าอย่างไรกับมันล่ะบางครั้งก็ไปนั่งเงียบคิดถึงแต่ของกินของอยากอยากกินตากล้วยตานีอยากกินตำส้มมะละกอทุกอย่างนั่นแหละน้ำลายนี่ไหลยืดนี่แหละได้ทรมานมันทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่ของง่ายถึงว่ามันได้พาทำบาปมามากแล้วเรื่องอาหารการกินนี่คนกำลังกินกำลังนอนกาลังสนุกมายึดเอาไว้มาขังเอาไว้ มันก็ยิ่งไปกันใหญ่เท่ากับน้ำกำลังไหลไปขวางเอาไว้ยิ่งแตกใหญ่เอาไว้ได้ก็ดีเอาไว้ไม่ได้ก็พังจนกว่ามันสบายจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ลหละก็ไม่ยากเลยภาวนาปีแรกไม่ได้อะไรมีแต่ภาวนาของอยาของกินวุ่นวายไปหมดแย่มากเลือเกินบางครั้งนั่งอยู่เหมือนได้กินกล้วยจริงๆ รู้สึกมันหักกล้วยเข้าปากอยู่อย่างนั้นมันเป็นของมันเองเหล่านี้มันมีแต่เรื่องการปฏิบัติทั้งหมดทั้งนั้นแต่ว่าอย่าไปกลัวมันมันเป็นมาหลายภพหลายชาติแล้วเราได้มาฝึกมาหัดมันทุกอย่างแสนลำบากแต่ว่าอันไหนยากอันนั้นแหละทำอันไหนไม่ยากไปทำมันทำไมทำในสิ่งที่มันยากทำที่มันได้ สิ่งง่ายๆน่ะใครๆก็ทาเป็นหรอกสิ่งทำยากๆเนี่ยต้องทำให้มันได้พระพุทธเจ้าของเราก็เช่นกันถ้าจะมาคอยพะวงญาติพี่น้องพงพันทรัพย์สมบัติความร่าเริงบันเทิงต่างๆรูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีโพทธทัพพระทันมารมก็ดีก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเหล่านี้มันไม่ใช่ของน้อย คนเราก็หาเอาแต่สิ่งเหล่านี้ทั้งโลกนั่นแหละออกบวชแต่อายุยังน้อยหนีจากมันได้มันก็ตายนั่นแหละบางคนก็ยังมาพูดว่าถ้าเหมือนหลวงพ่อก็ค่อยอยังชั่วหน่อยไม่ได้สร้างครอบครัวก็สบายไม่ได้คิดอะไรว่าไปนั่นอย่ามาพูดอยู่ ใ, ใกล้ๆนะเดี๋ยวโดนไมคคอนยังก็เราไม่มีหัวใจอย่างนั้น เรื่องของคนไม่ใช่เรื่องย่อยๆมันเรื่องชีวิตทั้งนั้นแหละถึงว่านักปฏิบัติเรากล้าหาญฝึกเร่งเข้าไปไม่เชื่ออย่างอื่นเชื่อพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้หาความสงบใส่ตัวเองพอมาภายหลังจึงรู้ปฏิบัติไปพิจารณาไปไตรตรองไปผลมันสะท้อนกลับมาที่นี้เท่ากันมีเหตุผลเหมือนกัน นักปฏิบัติของเราก็เช่นกันอย่าไปยอมมันทีแรกแค่เรื่องการนอนมันก็ยังยากว่าจะลุกตื่นขึ้นเวลานั้ น, น, นเวลานี้มันก็ไม่ลุกนี่ต้องหัดมันว่าจะลุกก่อนลุกขึ้นมาทันทีบางทีมันก็ได้แต่บางทีพอรู้สึกตัวว่าจะลุกมันก็ไม่ลุกบางทีจะให้มันลุกว่าหนึ่งสองอ๊อ ท่านนับถึงสามแล้วไม่ลุกต้องตกอเวจีนรกนะบอกมันอย่างนั้นพอจะสามมันรีบลุกขึ้นทันทีมันกลัวตกนรกอย่างนี้ต้องหัดมันไม่หัดไม่ได้หรอกมันต้องหัดทุกด้านทุกมุมจะอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยหมู่อาศัยเพื่อนมนันแนะนําพร่ำสอนเราอยู่เรื่อยๆนะ่ะโอ้ยไม่ได้กินหรอกอย่างนี้ไม่ต้องบอกกันมากหรอกบอกทีสองทีก็เลิกทําไปปฏิบัติไปของมันเอง จิตที่มันเป็นไปแล้วมันไม่ทำผิดหรอกอยู่ต่อหน้าคนมันก็ไม่ทำผิดอยู่รับหลังมันก็ไม่ทาผิดเรื่องจิตที่มันเป็นแล้วเนี่ยมันไม่มีที่รับที่แจ้งสักแห่งมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นฉะนั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจึงเชื่อจิตของท่านว่ามันเป็นเช่นนั้นนี่เราทั้งหลายก็เหมือนกัน ข้อวัดปฏิบัติเล็กๆน้อยๆนี้ก็ยังไม่รู้จักบางคนต้องการจะมาปฏิบัติเพื่อเอาความสุขเฉยๆสุขมันจะเกิดมาจากไหนก่อนอะไรเป็นเหตุมันความสุขทั้งหลายนะ่มันต้องมีทุก่อนมันจึงจะเป็นสุขเราทำทุกสิ่งทำงานก่อนจึงได้เงินมาซื้อกินไม่ใช่หรือทำนาก่อนจึงจะได้กินข้าว มันต้องผ่านความทุกมาก่อนทุกอย่างนั่นแหละบางคนมาบวชว่าจะมาพักผ่อนให้สบายจะมานั่งพักผ่อนเอาสบายเลยเขาว่าไม่ได้เรียนหนังสือมาก่อนจะมาจับหนังสืออ่านได้เลยอย่างนั้นหรือไม่ได้หรอกอย่างนี้แหละคนที่มีความรู้สูงสูงเมื่อเข้ามาบวชมาปฏิบัติไม่ค่อยได้เรื่องเพราะมันรู้ไปคนละอย่างคนละทาง มันไม่ได้ทรมานตัวเองไม่ได้ดูตัวเองหาเอาแต่ความยุ่งเหยิงมาใส่ใจของตนเอาแต่สิ่งที่ไม่ใช่ความสงบระงับส่วนด้านรู้ของพระพุทธเจ้าของเราไม่ใช่รู้ด้านโล ก, กีท่านรู้ด้านโล ก, กุตระมันรู้ไปคนละทางฉะนั้นผู้เข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาไม่ว่าผู้ใดไม่ว่าชั้นใดภูมิใดก็ตา่าง ก็ให้หยุดกระทั่งพระเจ้าอยู่หัวมาบวชก็หยุดเรื่องนั้นเรื่องโลกไม่ได้เอามาใกล้ไม่ได้เอามาอวดมาอ้างไม่ได้เอาลาบนั้นมาไม่ได้เอายศนั้นมาไม่เอาความรู้นั้นมาไม่เอาอำนาจนั้นมาการปฏิบัติเป็นเรื่องละเป็นเรื่องวางเป็นเรื่องถอนเป็นเรื่องเลิกต้องเข้าใจอย่างนั้น ทุกอย่างมันจึงจะเป็นไปได้เป็นไข้ยิ่งไม่ฉีดยากินยามันจะหายหรือที่ไหนมันกลัวต้องเข้าไปป่าช้าตรงไหนมันกลัวต้องเข้าไปดูห่ผมผ้าเข้าไปพิจารณาอนิจจาวัตสังขาราไปยืนแล้วกว็เดินจงกรมอยู่ที่นั่น ไปพิจารณาให้รู้ให้เห็นว่ามันกลัวอยู่ตรงไหนแล้วมันจะบอกมันจะรู้เองมันให้รู้เท่าสังขารอยู่ดูมันจนค่ำจนมืดไปเรื่อยๆต่อไปดึกๆก็เข้าไปได้แต่นี่ไม่กล้าไปกลัวมันไม่กล้าเข้าไปปฏิบัติถ้าทําอย่างนั้นนะเขาเรียกปฏิบัติไม่รู้เรื่อง การปฏิบัติไม่รู้จักเรื่องของมันเราจะต้องกล้าต้องฝึกต้องหัดอันใดที่พระาศาสดาทรงบัญญัติไว้อันนั้นต้องเกิดประโยชน์อันนั้นต้องมีประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าทัานตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นตถาคต ผู้ใดเห็นตถาคตผู้นั้นเห็นพระนิพพานไม่ปฏิบัติตามท่านจะเห็นธรรมได้อย่างไรไม่เห็นธรรมจะรู้จักท่านได้อย่างไรไม่รู้จักท่านจะรู้จักคุณของท่านได้อย่างไรถ้าทำตามท่านแล้วจะรู้จักว่าพระพุทธเจ้าท่านสั่งสอนมาแน่นอนเหลือเกินเรื่องสัจธรรมนี้ สัจธรรมเป็นความจริงที่สุด